มเมื่อชาวพูดถึงเรื่องในการที่จะเตรียมตัวในการที่จะไหว้ทิศก็พูดถึงในเรื่องของจารีตนะพูดถึงในชั้นของศีลที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราพูดในเรื่องของทิศเบื้องหน้าแล้วก็พูดในเรื่องของทิศเบื้องขวาก็หมายความว่าพอพูดถึงในเรื่องของทิศเบื้องหน้าพอเราหัน เออเป็นทิศ ท, ที่มาก่อนบุคคลที่มาก่อนเราก็คือพ่อแม่ท่านเกิดก่อนเราและเป็นผู้นำเราเริ่มตั้งแต่ในชีวิตและเลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นทิศแรกจริงได้แก่พ่อแม่ก็คือพูดถึงการปฏิบัติต่อพ่อและแม่พอประการต่อมาก็พูดถึงทิศเบื้องขวาพอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขวามือของเราก็กลายเป็นทิศทิศใต้เรียกว่าทิศเบื้องขวาคือทักษิษณทิศ ทักศิลก็คือขวาที่คติโบราณถือว่าเป็นเรื่องการแสดงความเคารพอะไรที่ไว้ทางขวาก็หมายความว่าเราเคารพทิศเบื้องขวาก็เลยยกให้เป็นของอาจารย์จัดครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ไปแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อครูต่ออาจารย์ให้ถูกต้องแล้วก็เลยพูดถึงหน้าที่ของครูอาจารย์ที่พึงปฏิบัติต่อสิทธ์ใช่ไหมเมื่อเช้าพูดอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าทิศเบื้องหลัง มาทิศเบื้องหลังก็หมายถึงคนที่มาที่หลังเราซึ่งตอนแรกเมื่อเราเกิดมายังไม่มีนะก็คือบุตรแล้วก็ภรรยาหรือถ้าผู้หญิงก็ได้แก่สามีกับลูกตอนเราเกิดมายังไม่มีนะมาที่หลังเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นทิศเบื้องหลังก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อสามีต่อภรรยาและบุตรให้ถูกต้องซึ่งก็มีหน้าที่ปรากฏอยู่ เอาพูดให้ครบชดซะเลยต่อไปเราจะได้เอาปัญหาพวกนี้ไปถกกันในวงละเอียดในวงปิดย่อยในการที่เราจะจับประเด็นในการที่แยกกลุ่มทิศเบื้องซ้ายทีทย่สี่ก็ได้แก่มิตรสหายผู้ร่วมงานก็ซึ่งผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างช่วยประคับประคองสนับสนุนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อการให้ถูกต้องฉะนั้นกรณีแห่งการที่อยู่ด้านข้างของเราก็ได้แก่มิตร ช่วยประคับประคองสนับสนุนฉะนั้นมิตรเนี่ยก็ต้องเป็นมิตรที่ดีมิตรที่เกื้อนหนุนมิตรที่คอยจุนเจือเราในการที่จะประคับประคองกระแสชีวิตของเราให้ดําเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องเป็นต้นอันนั้นก็คือข้างเคียงของเราแค่นั้นคือด้านซ้ายจับประเด็นให้ถูกนะตอนนี้ว่าอะไรเป็ทิศเบื้องหน้าอะไรเป็นทิศเบื้องขวาอะไรทิศเบื้องซ้ายนีอะไรเป็นทิศเบื้องหลังต่อมาที่ห้าก็คือทิศเบื้องร่าง ได้แก่ผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาตลอดถึงคนงานลูกจ้างและคนรับใช้ก็ต้องเอาใจใส่ให้เขาอยู่ดีอบอุ่นแล้วก็คุ้มครองให้เขาได้รับความเป็นธรรมส่วนทั้งฝ่ายลูกจ้างและคนงานก็ต้องตั้งใจทำงานให้ได้ผลดีอันนี้ก็เป็นคู่กันอันนี้ก็ต้องชัดเจนประการสุดท้ายก็คือทิศเบื้องบนได้แก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือ เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและให้ท่านสามารถดำรงรักษาธรรมไว้เพื่ออะไรให้แก่สังคมส่วนทั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ปฏิบัติต่อชาวบ้านให้ถูกต้องโดยเฉพาะต้องให้พระธรรมให้ความถูกต้องและชักจูงให้เขาตั้งอยู่ในธรรมะซึ่งพระเจ้าก็ตรัสไว้ถึงหข้อก็เป็นอันว่าครบทิศ ท, ทั้งห อันนี้พูดแบบหลักการก่อนทีนี้การไหว้ทิศก็คือการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่อยู่ในฐานะต่างๆเขาเรียกว่าไหว้ทิศที่เราเรียกที่เราเกี่ยวข้องในสังคมก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงจะเรียกว่าไหว้ทิศได้ถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทำให้ชีวิตปลอดโปร่งเป็นอยู่ แล้วก็ดําเนินไปด้วยดีท่านเรียกว่ามีความสวัสดีสังคมก็เรียบร้อยร่มเย็นแล้วก็มั่นคงแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ดีนะต่อสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมก็กลำบากเมื่อเราไหว้ทิศได้ถูกต้องอย่างนี้ก็เป็นมงคลใช่ก็นำความสุขมาให้นำความเจริญมาได้อย่างแน่นอนเป็นการไหว้ทิศแบบอารยชนไม่ใช่อนาระยะชน แปลว่าอารยาชนก็แปลว่าอะไรชนที่เจริญแล้วไม่ใช่ว่ายทิศแบบอนาอายชนคือไหว้แบบหลับหูหลับตาไม่มีปัญญานําหน้าไม่ใช่ไปยืนไหว้หรือนั่งกราบทิศ ต, ตะวันออกทิศเหนือทิศใ ต, ต้ตะวันตกแล้วก็ทิศเบื้องต่ําแล้วก็ทิศเบื้องสูงเหมือนสิงการและขามานบไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเอถ้าเราเขียนนะ ถ้าเราเขียนเป็นวงกลมปุ๊บเขียนไปจุดตรงจุดกลางปุ๊บเป็นตัวเราแล้วลรกขีดไปด้านหน้าเนี่ยก็คือเบื้องหน้าของเราก็ขีดทิศเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ก็คือมารดาพิ่ดาถ้าด้านขวามือเราก็จะกลายเป็นใช่มอะไรนะเเ <บา S 1> พราะเป็นที่เคารพครูบาอาจารย์ถ้าด้านซ้ายมือเราก็เป็นถ้าด้านหลังของเราก็เป็น บุตรภรรยาหรือสามีที่มาที่หลังถ้าด้านล่างของเราก็เป็นหมายถึงอะไรผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องคนงานแล้วถ้าอยู่ด้านบนของเราก็คือพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่ยนะก็คือพระสงฆ์นั่นเองเห็นไหมว่าเราจะต้องอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ทีนี้จุดการยึดโยงเนี่ยเราจะยึดโยงยังไง ประการต่อมาคือหลักที่ท่านใช้จุดยึดเหนี่ยวเลยนะตรนนี้เป็นหลักสำคัญนะเขาเรียกว่าหลั ก, กหลังจากตรัสเรื่องทิศหกในที่สุดพระุทธเจ้าก็ทรงปิดท้ายด้วยอะไรปิดท้ายด้วยสังฆหาวัตถุสี่บุคคลที่อยู่แวดล้อมเรานี่ทั้งหกทิศเรามีหน้าที่จะปฏิบัติ กันไปแต่ละทิศแต่ในที่สุดทุกคนก็เป็นสมาชิกของสังคมร่วมกันใช่ไหมทุกคนเนี <GO> ่ย <av uther> ไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องต่ําไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องสูงทั้งหมดเหล่านี้ก็คือสมาชิกร่วมกันในสังคม แค่นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยปิดท้ายด้วยว่าเออเมื่ออยู่เป็นสมาชิกร่วมกันในสังคมเนี่ยเราจะปฏิบัติยึดโยงกันยังไงที่เป็นเครื่องยึดโยงเหนี่ยวลังกันดังนั้นจึงต้องมีสังขาวัตถุสี่นี้ไว้สําหรับสําหรับใช้กับทุกคนทั่วทั้งสังคมพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนสังขาวัตถุไว้คุ้มท้ายเนี่ยนะว่าเราอยู่ในสังคมก็จะต้องมีสังขาวัตถุสี่กำกับทุกคน สังขาวัตุสี่นี้เป็นธรรมะภาคปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในธรรมะหมวดนี้ไม่พูดถึงเมตตากรุณาเลยเพราะอันนั้นเป็นคุณธรรมในใจในที่นี้เอาแต่เรื่องการปฏิบัติแสดงออกภายนอกจริงๆทีนี้สังขาวัตุก็ปแปล ว, ว่าหลักการสง่งเคาะหลักการสง่งเคาะคือหลักการยึดเหนี่ยวใจคน ในการประสานหมู่ชนให้มีความสมัครสมานสามคัคคีให้มีความปองดองซึ่งกันและกันทำให้ตนเองก็เป็นที่รักและชุมชนส่วนรวมก็อยู่ได้ไม่แตกแยกไม่กระจัดกระจายทำให้สังคมนั้นมีเอกภาพและมีความมั่นคงสังขาวัตุสี่ได้แก่อันแรกคือทานนะทานนะทานนังเนี่ยทานณเนี่ย การให้ปันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานการแจกจ่ายช่วยเหลือสิ่งของช่วยทรัพย์สินเงินทองตลอดถึงให้วิชาความรู้ช่วยได้ทุนและสิ่งของหรือความรู้จัดว่าเป็นทานทั้งนั้นแม้ให้วัตถุสิ่งของก็เรียกว่าทานการให้ความรู้เป็นทานไหมเป็นทานการให้อภัยกันเป็นไหมก็เป็นอีกเห็นไห่ทีนี้การให้วัตถุสิ่งของการแจกจ่ายเนี่ย ให้ด้วยอะไรให้ด้วยเมตตาเห็นไหมตอนนี้เอามาปฏิบัติและภาคนี้ยามาปฏิบัติกันจริงๆแล้ววิธีีจะให้เนี่ยให้ด้วยเมตตาแสดงน้ําใจเมตีสร้างเสริมมิตรภาพเอามีของเนี่ยถ้าเราต้องการจะยึดเหนี่ยวน้ําใจจิตคนจิตของคนไว้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการกระทํากรรมที่เป็นกุศลด้วยและการให้ก็เป็นการยึดโยงน้ําใจกันด้วยแต่การให้นั้นเน่ย ให้ด้วยวัตถุประสองค์อื่นก็ได้ถ้าใจเราปรับไม่เป็นใช่ไหมเล่าให้ด้วยเมตตาแสดงน้ําใจเมตีแสดงส่งเสริมมิตรภาพได้ไม่ได้การให้ด้วยความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนที่เป็นไปกับเมตตาได้ไหมให้สิ่งของให้ด้วยเมตตาทางกายได้หรือไม่ให้วิชาความรู้ให้ด้วยเมตตามีความรักปรารถนาดีแล้วก็แสดงมีเมตตาจิตของเขาก็ด้วยน้ําใจอันงาม ก็บอกความรู้บอกข้อมูลให้เขาได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ไม่ได้โอสอนด้วยโทรศั์ได้ไหมได้เราก็เคยทำกันเป็นประจำหน้าหงิกหน้า ง, งอทำไมไม่จำทำไมไม่จำเนี่ยใช่ไหมสอนด้วยเมตตาก็ได้สอนด้วยโทรศก็ได้แต่สอนด้วยโทรศมันเป็นบุญหรือเป็นบาปเออควรทำหรือไม่ควรทำและที่ผ่านมาทาทาไม เนี่ยก็ก็ก็ก็ไล่ไปดูรายละเอียดแล้วก็จะเห็นใช่ไหมล่ะอาธรรมทําไมตึกเวลาใช้โทรศาสตร์แล้วคนตั้งใจฟังดีไหมตีไมด่ดีรู้สึกเรามันเด่นขึ้นไหมรู้สึกเข้าไปในห้อ ง, องนักเรียนเงียบดีเหลือเกินรู้สึกชื่นใจใช่ไหมนั่นแหละพอพอออกมาจากห้องก็เสียงด่ารับหลังเต็มไปหมดใช่ไหมล่ะ ให้ด้วยกรุณาได้ไหมได้ไหมให้ด้ให้ด้วยกรุณาช่วยปลดเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนให้เขาเขาไม่รู้เนี่ยเรากรุณาเขาไปให้เขามีความรู้เอางี้เรามาแสดงทำแสดงด้วยเมตตาได้ไหมเนี่ยมามาเก่า ว, วันเนี้ยมีความรักปรารถนาดีแล้วก็พูดด้วยเมตตาได้ไหมพูดด้วยกรุณาได้ไหม เออพวกเรานี่ไม่ค่อยรู้กันนะเนี่ยนาดมาแสดงธรรมบางคนก็ยังนั่งตาปือย อ, อยู่อามาก็อธมก็ก็ก็การุณาเออทำอยังไงนะจะให้เขาหายจากง่วงนอนที่ตาปลือยปลือลืมตาเขาจะไม่ค่อยขึ้นนะี่เนียจะได้ตั้งใจฟังอะไรเงี้ยอันนี้ก็ให้ด้วยกรุณาให้ด้วยมุทิตาได้ไหมส่งเสริมผู้ทำความดี ก็คือว่าคนที่ให้ให้คนที่เขากําลังเจริญก้าวหน้าสรุปแล้วเห็นไ้มว่าการให้ทางกายเนี่ยที่เป็นทานเนี่ยนะการให้ปันการเ อ, อื้อเฟื้อแผ่เผื่อแผ่การเจือจานการแจกจ่ายการช่วยเหลือสิ่งของเนี่ยการให้ทรัพย์สินเงินทอนตลอดถึงให้วิชาความรู้ช่วยด้วยทุนสิ่งของหรือให้ความรู้ต่างๆเนี่ยเราให้ทางกายเนี่ยได้ ทางกายก็คือให้ด้วยเมตตาได้ไหมก็ไปนะแต่ใจต้องเป็นเมตตก่อนไหมโอ้ใจต้องขับเน้นด้วยเมตตามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเมตตาเป็นอย่างดีแล้วจึงให้ให้ด้วยกรุณาก็าด่มีความกรุณาสงสารปรารถนาจะให้ช่วยเขาพ้นจากความไม่รู้หรือพ้นจากความทุกข์เอทางกายเนี่ย ทางกายเวลาเราจะให้ความรู้เขาจะให้ยังไงเอากายไปให้ความรู้โดยไม่ต้องใช้ปากพูดทํำยังไงได้ไหมเขียนบนกระดาษได้ไหมได้ไหมไม่ต้องพูดก็ได้ใช่ไหมเขียนได้เลยไหมเอาหยิบหนังสือยื่นให้ได้ไหมให้เป็นวิชาความรู้ทั้งนั้นแหละอยู่ทางกายแต่ให้หยิบยื่นไปด้วยกรุณาด้วยเมตาก็ได้ด้วยกรุณาก็ได้ด้วยมุทิตาก็ได้เอา้ามองให้ถูกนะว่า ถ้าเขากําลังลําบากเขาตกทุกข์ได้ยากโอ้เรามียาเราจะไปให้เขาแต่เราแสดงมุทิตากับเขาได้ไหมได้ไหมโอขอแสดงความยินดีด้วยนะที่คุณป่วยเนะี่ยแล้วก็ไปให้ได้ไหมอัน <c oughs> นี้เขาให้ผิดที่ตอนนั้นก็ต้องใช้อะไรใช้กรุณาเนะตอนนั้นต้องเป็นกรุณา อ่าทั้งปียะวาจาพูดอย่างพูดคำสุภาพให้เกียรติกันพูดด้วยความหวังดีมีน้ำใจบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้อยคำอันงามพูดด้วยเมตตาได้หรือไม่ได้เห็นไหมพูดด้วยเมตตาก็คือปลายัยทักทายแสดงน้ำใจเมตตรีแล้วก็วาจาที่สุภาพถ้าพูดด้วยกรุณาก็คือเห็นใจปลอบใจแนะนาให้คาปรึกษา แก้ปัญหาให้ที่เขาประสบความทุกเนี่ยนี่เขาเรียกว่าปิยาวาจาที่เป็นไปกับการุณาปิยาวาจาที่เป็นไปกับมุทิตาก็พูดให้กำลังใจแสดงการส่งเสริมสนับสนุนเช่นเขาได้ดีอยู่แล้วก็บอกอือเนี่ยรักษาความดีเขาไว้รักษาแชมป์เาไว้อย่าให้ความดีนี่มันตกหายไปนะ ก็พูดให้กำลังใจเขาส่งเสริมเขาได้ไม่ได้สรุปแล้วทางกายยากรรมที่แสดงไปที่เป็นไปกับเมตตาที่เป็นไปกับกรุณาที่เป็นไปกับมุทิตารายละเอียดไปเจาะประเด็นกันเองแยกกลุ่มเกี่ยวกับปฏิบัติต่อทิศทั้งหแล้วก็ทางวาจาก็เป็นไปกับเมตตาวจีกรรมนี่ไหมเป็นกรุณาวจีกรรมเป็นมุทิตาวจีกรรมในรายละเอียดทั้งหลายก็ ไปแจกแจงรายละเอียดเจาะให้ถึงดีไหมเวลาเจอหน้ากันจะถามจะได้ใช้ใช้เป็นนี่เขาเรียกว่าในเรื่องของทานแล้วก็มาปิยาวาจาข้อที่สองในหลักของสังขาวัตถุหลักการในการที่จะยึดโยงหรือก็เชื่อมโยงกันข้อที่สอัฏฐจริยาคือการประพฤติประโยชน์ให้แก่เขาสละเลี้ยวแรงกำลังกายช่วยเหลือผู้อื่น และกบอบเพลนประโยชน์ช่วยเหลือด้วยกำลังงานนะช่วยด้วยกำลังงานช่วยด้วยเมตาก็แบ่งเบาภาระร่วมมือแสดงน้ำใจไม่ตีช่วยด้วยกรุณาก็นำพาผู้อ่อนแอผู้ตกอยู่ในอันตรายให้หลุดพ้นให้รอดพ้นจากพยันอันตรายต่างๆหรือเวรภัยต่างๆอา้าวช่วยจับจุงเด็กข้ามถนนจุงคนแก่ข้ามถนนนี่เป็นอัจริยานะเป็นการประพฤติประโยชน์นะ ประคบประคองแม่ลงจากบ้านอะไรก็แล้วแต่ในรายละเอียดเนี้ย เ, ยเอาเข้าไปในห้องน้ำจัดแจงดูแลทั้งหลายเหล่าเนี้ก็เป็นไปด้วยเมตตากะ็ะเดาเมตตาหรือกรุณาช่วยด้วยมุติตาให้กําลังสนับสนุนร่วมมือแก่ผู้ที่ทําความดีและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์จัดบ่อยไหมไในโรงเรียนเนี่ยบ่อยไม่บ่อยก็อัตตาจริยาก็บําเพ็ญประโยชน์แต่จะไปร่วมบําเพ็ญประโยชน์ เมื่อเป็นเรื่องความดีเบ็ยเศจแล้วก็ส่งเสริมความดีร่วมกันก็กลายเป็นมูทิตาใช่ไหมล่ะทั้งหมดเหล่านี้ใช่กิจกรรมที่เป็นบุญไหมเนี่ยกิจกรรมที่เป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงไหมเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆเลยที่มนุษย์ทั้งหลายโดยส่วนใหญ่เราไหว้คิดกันไม่ถูกนี่แหละเราจึงสรุปประเด็นที่เอาสังขาวัตถุมาใช้ไม่เป็นทีนี้เวลาจะขับเคลื่อนในการที่เอามาใช้จริงๆเนี่ยมนุษย์ก็ ก็จะโดยมากก็จะใช้กันไม่เป็นข้อสุดท้ายสมานัตตาอ้าเคยฟังกันบ่อยแล้วใครช่วยแปลหน่อยทีสมานัตตาแปลว่าไงอย่างนี้ต้องถามท่านมหาป ร, รียนทำเก้าประโยชนสมานัตตานี่เขาแปลไงเนี่ยฮะทำตนให้พอดีอา้าถามหน่อยสิ อาจารย์ที่นั่งข้างนาบอกว่าทำตนให้พอดีเอาด้านขวาด้านนี้ด้วยเอาสมาณตตาแปลว่าอะไรอดูหนังสือด้วยเอาว่าไงาายังไงเสมอตอน้นไม่ยอมแก่ปล่อยอยู่เงี้ยเสมอตลอดอย่างงี้ยางนี้ปะ่ะหรือยังไงทำตัวเสมอต้นเสมอปลายเอาขอข้างหลังอีก หนึ่งตัวอย่างสมาณัตาเรื่องหลังเอาใครตอบได้ตอบเลยหน่อยที่เออร่วมรับรู้ช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันเอาว่าไงที่ใส่เสื้อแดงๆนั่งเฉยๆอะ่ะเอาว่าไงสมาณัตาตอบอย่างอาจฐารกล้าหารหน่อยที่เออตอนสมอบปายเช่น ได้ความหมายหรื อ, อยังแต่นี่ได้กันหรื อ, อยังพอจะชัดเจนไหมชัดเจนจริงหรือสมานนตตาก็าาหมายความว่าเอาตัวเข้าเสมอสมานก็คือร่วมมู่ร่วมมือร่วมจุดหมายร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสุขร่วมทุกข์ปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาพเสมอต้นเสมอปลายด้วยอะไรด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาและอุเบกขา ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ช่วยด้วยการร่วมสร้างสรรและก็แก้ปัญหาอันนี้ต้องโอ้โหเอาไปขยายเยอะเลยนะเนี่ยสมานนตาตาเนี่ยการที่จะเอาตัวเข้าเสมอสมาน ร, ร่วมหมู่ร่วมมือร่วมร่วมจุดหมายก็ร่วมแก้ปัญหาร่วมสุขร่วมทุกเนี่ยเช่นเมื่อปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาคเสมอต้นด้วยเมตตากรุณาเนี่ยให้เหมาะแก่สถานการณ์ แล้วก็ด้วยเมตตากรุณามุริตาและเวขาเนี่ยช่วยด้วยการร่วมสร้างสรรค์แล้วก็แก้ปัญหาเห็นไหมเวลามีกิจกรรมใดๆต่างๆขึ้นมาก็เอาตนเองเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมเสมอต้อนเสมอปลายแต่การเข้าไปร่วมกิจกรรมนะั้นไม่ใช่เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยโลภะโทสะโม tuvo. หะเข้าใจนะ เ, ออเข้าไปแก้ไขว่าเออถ้าเป็นภาวะปกติก็มีความรักปรารถนาดีเ อ, อื้อทอรในการทํากิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดมันสถานการณ์มันมีการไม่ค่อยดีกันขึ้นมาตกทุกข์ได้ยากกันก็เอกการุณากันแต่ก็ร่วมนะร่วมกันต่อสู้อุปสรรคเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้และในขณะเดียวกันเมื่อสถานการณ์นั้นกําลังเป็นไปได้ดีก็ร่วมแรงร่ว ม, ว ม, วมใจสนับสนุนกัน แต่ถ้าร่วมแรงร่วมใจจนเต็มที่แล้วไม่สามารถจะแก้ปัญหาสถานการณ์นั้นได้ก็สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนวางใจกันได้โดยไม่หงุดหงิดไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับออกมาอีกทำไมมันเป็นอย่างงี้นี่อ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้นนจะไม่บ่นคำเนีออกมาเลยเพราะทําเต็มที่แล้วเขาใหยังนี่เขาเรียกเอาตัวเข้าไปเสมอสมานเขาเรียกสมานตัตตา ถามว่าถ้าเราอยู่ในสภาพสังคมอย่างนี้น่าชื่นใจไหมนี่เราก็จัดร่วมนี่กระบวนชุดนี้เลยเนี่ยร่วมเป็นชุมชนอะไรชุมชนไว้ทิศ ท, ทั้งหกที่ถูกต้องสรุปประเด็นลงที่สังหาวัตถุสี่ไม่เข้าใจก็หลักสูตรเปนั่งอ่านอ่านอานอา น, อนไม่เข้าใจก็ปรึกษาปรึกษาใครกับปรึกษาคนรู้ไงอย่าไปปรึกษาคนไม่รู้เขาห้าม ถ้าเราไปปรึกษาคนไม่รู้จะดีไหมเอาสรุปประเด็นแต่นเนี้ยเป็นอันว่าครบถ้วนแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ย่่ยไปทํางานวิจัยในการแยกกลุ่มย่อยประเด็นที่ตั้งหัวข้อไปเนี่ยนะทั้งหมดนี้พุทธเจ้าตรัสไว้เป็นแบบแผนเรียกว่าวิในของครือขัดทั้งหมดเลยนะที่ว่ามาตามลําๆแต่เช้ามาตอนเนี้ย คำว่าวิเนยของเครือข่านี้เป็นคำที่พระตถาคกอาจารย์เรียกมาเนะซึ่งเป็นคำที่เหมาะดีเป็นชุดเป็นลำดับชาวพุทธควรจะยึดถือปฏิบัติในสิงคาราคสูตรนี้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตเมื่อได้หลักที่เป็นพื้นฐานดีแล้วก็บําเพ็ญคุณธรรมอย่างอื่นต่อไปได้สะดวกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสร้างฐานไว้ดีแล้วชีวิตของเราก็จะมีความมั่นคง ทั้งในด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองและในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมไอสังคมะที่ไปร่วมกันนี่แหละเรียบร้อยสบายใจแล้วก็ต่อจากนั้นก็บำเพ็ญคุณความดีตามหลักทำข้ออื่นให้ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปซึ่งจะปฏิบัติก้าวหน้าไปอย่างไรได้ก็วางฐานเขาเพราะว่าสามารถที่จะดาเนินชีวิตไปได้อย่างก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะวางฐานฐานร่างในไว้เรียบร้อยอย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือแบบแผนชีวิตของเครือข่านะ ทีนี้เมื่อเตรียมเมื่อเตรียมพื้นฐานหรือวางฐานชีวิตเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มาดูหลักต่อไปอีกนิดหนึ่งเพื่อดําเนินชีวิตให้ก้าวหน้าจะได้ประสบความสําเร็จเนี่ยจากพื้นฐานนั้นจนบรรลุเป้าหมายคนเราเกิดมาเนี่ยมุ่งหาสิ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะเราหวังอะไรวหวังประโยชน์ ซึ่งในทางศาสนาหรือพุทธศาสนาเรียกว่าอัฏฐะอัฏฐะที่แปลได้อย่างหนึง่งคือจุดมุ่งหมายเนี่ยจุดมุ่งหมายเราควรจะมีจุดหมายของชีวิตที่ถูกต้องซึ่งพระพทเจ้าแบ่งไว้สามระดับแบบยอ่ยอๆ ส, สองระดับเรียกว่าอัฏฐะก็แปลว่าจุดมุ่งหมายหรือประโยชน์จุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยนะมีอยู่สามระดับนะประโยชน์เฉพาะหน้าเขาเรียกว่า ทิฏฐะทำมิกถาประโยชน์หรือที่เรียกว่าทิฏฐะทำมิกระทาทิฏฐานี่ก็แปลว่าสิ่งที่ตามองเห็นหรือทันหรือทันเห็นน <Name> ่ยทิฏฐะเนี่ยสิ่งที่ตามองเห็นหรือทันเห็นทิฏฐะคำนี้นะจึงแปลกันว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ทันตาแต่คำว่าประโยชน์ใ น, นปัจจุบันเนี่ยก็แปลประโยชน์ทันตาเห็น ได้แก่ประโยชน์ในระดับที่ตามองเห็นได้แก่การมีทรัพย์สินเงินทองความเป็นที่ยอมรับในสังคมมีมิตรสหายบริวารชีวิตครอบครัวที่ดีการมีร่างกายที่แข็งแรงไร้โรคอย่างเงี้ยนะร ะ, ระบบเศรษฐกิจก็ดีระบบสุขภาพก็ดีอะไรเงี้ยคุณภาพของชีวิตก็ดีเป็นต้นประการที่สองประโยชน์เลยตาเห็นก็คือประโยชน์ขั้นที่ลึกลงไปเขาแปลกันว่าประโยชน์เบื้องหน้า ประโยชน์เบื้องหน้าในภาษาบาลีท่านเรียกว่าสัมปรายกัตถะเบื้องหน้าก็คือลึกซึ้งเลยไปตาก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะประโยชน์เบื้องหน้าเนี่ยตามองไม่เห็นแล้วประโยชน์นี้เป็นจุดหมายขั้นตาไม่เห็นก็คือเรื่องของนามธรรมอันนี้เกี่ยวกับคุณธรรมเกี่ยวกับความดีเลยทีนี้ที่เป็นการพัฒนากระแสของชีวิตก็คือพัฒนาจิตใจให้มีความ ความสุขแล้วก็ความซึ้งอย่างประนีที่ตามองไม่เห็นเช่นความสุขใจความอิ่มใจความภูมิใจความมั่นใจความรู้สึกในคุณค่าความหมายของชีวิตเนี่ยที่เกิดจากศรัทธาคือความเชื่อมั่นในคุณความดีและเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวการดำรงอยู่ในความประพฤติดีงามความมีจิตใจที่กว้างขวางหรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ได้เสียสละบาเพ็ญประโยชน์ตลอดจนการเสียเสียสละอะไรดีสละกิเลสออกจากจิตไอตรงเนี้ทำได้ยากไอ ต, ตอนนี้โลภะสละออกบ้างหรือยังโทสะสละออกบ้างหรือยังโมหะคือความมืดบอดนี่สละออกจากจิตบ้างหรือยังหรือทิฏฐิความหมิ่นผิดวิกิกิจฉาความลังเลสงศ์ใสความหดหู่ท้อถอยสละออกจากจิตความเสื่องซึม งอยเงานั่งหลับเนี่ยสละออกอยากไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้สละออกให้ใจมันโล่งให้ใจมันโปร่งให้มันผ่องใสการจะสละได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงไอ้ตรงนี้ก็รายละเอียดก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ที่ลึกซึ้งเลยที่ตาจะมองเห็น ในขั้นแรกเนี่ยประโยชน์ที่ตามองเห็นเนี่ยโดยมากเป็นประโยชน์ที่เอาเข้ามาให้ตัวเองเช่นทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นหลักประกันของชีวิตเนี่ยนะแต่พอถึงประโยชน์ขั้นที่สองทรัพย์สินเงินทองหรือประโยชน์ที่ตามองเห็นเนี่ยเข้ามาเมื่อกี้ ก, กลับออกไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยเอาออกเอาทรัพย์สินออกไปคือออกไปทําประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้อื่น แล้วก็เกิดแก่สังคมและเป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญความดีทำให้เกิดความสุขทาง ท, ทางใจก็คือพัฒนากระแสชีวิตนั่นเองในขั้นแรกได้ความสุขทางร่างกายแต่ในขั้นนี้ได้ความสุขทางด้านจิตใจไปเลยในขั้นแรกก็มีความสุขจากการได้จากการเอานะแต่ในขั้นนี้มีความสุขจากการให้ความสุขจากการให้ จากการใจที่มีคุณธรรมมีการพัฒนาอะไรต่างๆนี่เขาเรียกสัมปรายิกัถประโยชน์ก็ในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของศีลอันนี้เป็นคุณธรรมที่จะต้องขัดเกลาตัวเองประการต่อมาคือประโยชน์สูงสุดมีปัญญารู้เท่าทานโลกและชีวิตกระทั่งที่จิตใจที่เป็นอิสระไร้ทุกข์เาเรียกปรมาถก็คือประโยชน์ที่สูงสุดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่คนที่จะบรรลุ ประโยชน์ที่เหล่านี้ตามลําดับนี้นะเขาเรียกว่าบรรลุสัมปรายกถานั้นอยู่ในขั้นของความดีแต่เพิ่งทราบว่าคนดีนั้นเนี่ยก็ยังมีทุกอยู่นะคนได้ประโยชน์ในพบหน้าเนี่ยแต่ก็ยังมีทุกอยูอ่คนที่เขาทำทำผิดเนี่ยเขามีความทุกไหมมีไม่มีคนชั่วก็มีทุกไหมมีเนาะเขาทุกแบบคนชั่วคนดีก็มีทุกแบบคนดีต่างกันนะ คนดีทําความดีบางทีนี่นะบางทีเนะี่ยถ้าคนดีที่วางจิตไม่เป็นเนี่ยนะบางทีไปทําความดีแล้วอยากให้คนอื่นเขาชมอีกคนที่วางจิตไม่เป็นเคยเป็นไหมเร า, วาเวลาเราทําดีอยากให้คนชมไหมทาดีอยากให้สามีชมไหมอยากให้เพื่อนชมอยากให้พ่อแม่ชมเนี่ยมันเป็นทุกข์ พอทำไปแล้วก็แหมไม่มีใครชมเราเลยก็ทุกข์ใจใช่ไหมลนะ่ะเอาสรุปแล้วนะตรงนี้นะว่าสรุปแล้วคือว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็คือพูดึงเรื่อ ง, องการประโยชน์เอาละเอามาจะไม่ใช้เวลาของพวกเราเยอะที่จะมีการแบ่งกลุ่มไปเยอะไปนานช่วงนี้นะก็ามาสรุปตั้งแต่ตอนเช้าก็พูดในเรื่องของการคำสอนของพุทธเจ้า ที่หลักพื้นฐานในชีวิตหลักในการเตรียมตัวในการที่จะไหวท้ทิพทิศก็คือมีการชําระกิเลสพวกกรรมกิเลสออกจากใจความเศร้าหมองทั้งหลายออกแล้วก็พูดถึงหลักการในการที่จะเลือกคบคนเป็นต้นแล้วในที่สุดจริงๆแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะเข้าแล้วก็มาไหว้ทิศทั้งหกพอไหว้ทิศเบ็ดเสร็จนี้แล้วเนี่ย ได้ถูกต้องก็คือเรามาเกี่ยวข้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมและเราจะยึดสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่จะเป็นไปกับเมตตากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมยังไงท่านก็ใช้หลักสังคหาวัตถุมาเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวสมานเป็นตัวประสานที่จะทําให้สภาพสังคมเนี่ยไม่แตกแยกกันคือสังคมเนี่ยนีสังคม ค, คือการที่จะไปร่วมกันเนี่ยไปอยู่เนี่ยไปโดยไม่พังเนี่ย เขาพูดถึงเหมือนล้อล้อรถเนี่ยโยมสมัยก่อนนี่นะล้อเกวียนเนี่ยมันจะมีตัวริ่มตัวริ่มมันสลักสลักล้อไว้เวลาลากเวียนลากรถไปเนี่ยล้อมันก็ไม่หลุดมันก็ไม่พังไอตัวริ่มสลักอันนี้สำคัญมากพรตอกสลักเอาไว้แล้วเวลารากล้อไปเนี่ยล้อมันก็ไปโดยไม่ไม่พังทีนี้สังคมสังคมเนี่ยก็คือการที่เราจะอยู่ในฐานะว่า พ่อแม่กับลูกครูกับศิษย์นะเพื่อนต่อเพื่อนแล้วก็บุตรภรรยากับสามีบุตรภรรยาญาติมิตรผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องคนงานกับนายจ้างตลอดถึงพวกเรากับพระสงฆ์อันนี้เป็นหลักของอะไรเนี่ยเป็นสังคมของชีวิตจริง สภาพสังคมเนี่ยก็คือการที่มันจะไปร่วมกันเนี่ยไปอยู่คือไปไม่พังไปแบบไม่กระจัดกระจายได้มันก็มีตัวริมนี่แหละตัวเชื่อมอะไรที่จะเป็นตัวเชื่อมตัวสมานตัวนี้ให้สภาพสังคมที่ไปกันได้โดยไม่พังก็ตัวสังหาวัตถุอันนี้เป็นจุดเชื่อมเช่นทานเนี่ยก็การแบ่งปันการแจกจ่ายทั้งทางด้านวัตถุและการให้วิชาการความรู้ ทีนี้การให้ตรงเนี้มันไม่ใช่เป็นการให้ด้วยใจที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะถ้าอย่างนั้นจะไม่เรียกว่าเชื่อมประสานเพราะมันไม่มีริมที่แท้จริงไม่มีริมตอกหรือริมสลักไม่สังคมพังแต่ถ้ามันมีตัวริมสลักก็คือตัวประสานคือตัวเมตตาในการให้มีความรักความปรารถนาดีในการให้วิชาความรู้ให้วัตถุสิ่งของหรือทางด้านปิยาวาจาก็เป็นการกล่าวว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อทางด้านของ วฏีกรรมก็มีการให้ให้ด้วยคําพูดอะไรก็ว่าไปตามลําดับปิยาวาจาก็เป็นการกล่าววาจาที่เป็นไปกับเมตตาบ้างกรุณาบ้างมุทิตาบ้างแม้กายกรรมก็เหมือนกันเป็นไปกับเมตตาบ้างกรุณาและมุทิตาถ้าหากบําเพ็ญประโยชน์ประโยชน์นี่ก็โอ้โหทั้งเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็เชื่อมประสานไปจนถึงทําประโยชน์ด้วยการวางใจเป็นกลางได้ด้วย ส่วนก้อสุดท้ายก็กลุ่มสมานนตตาเอาตนเข้าไปสมานในกรณีที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมกิจกรรมกันกิจกรรมใดๆที่ควรทำด้วยเมตตาก็จเจริญเมตตาทำร่วมกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันส่วนใดที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็ใช้กรุณาในการที่จะตัดแป่งแก้ไขช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันส่วนใดที่เป็นไปดีเบเศษก็ทาเจริญมุทิตาในการที่ เชื่อมประสานในการที่จะทำให้สภาพสังคมดียิ่งขึ้นไปทำจนถึงที่สุดแล้วแต่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงปรานาเช่นเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมแก้ไขไม่ได้ในวารานั้นก็ใช้ยานปัญญาวางใจให้เป็นโดยไม่เครียดไม่ทุกขกับมันแต่การช่วยเหลือประสานก็เป็นไปอยู่เข้าใจใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็ทาสิ่งที่พอทาได้อันนี้ก็เป็นไปในลักษณะของอุเบกขา ก็สภาพสังคมก็จะยืดโยงกันได้คือสังคมก็จะเป็นไปได้โดยดีเอาแล้ววันนี้ก็จะไม่รบกวนเวลาที่เหลือที่เราจะแบ่งกลุ่มย่อยไปถกประเด็นปัญหากันในเรื่องของใช้ทิศหอยังไงเชื่อมประสานตรงนี้อย่างไรนะแล้วก็จะเป็นไปกับเรื่องทานกุศลด้วยนะที่เราจะไปเจาะรายละเอียดศีลกุศลก็ว่าไปตามลาดับทั้งจารีศีลขั้นตอนตรงนี้เรามาคุยกันในเรื่องของชั้นของจารีศีล ก่อนจะจบประเด็นตรงนี้นิดเดิงอ้าวให้ให้ปัญหาผู้ชายไปนหนึ่งัญหาผู้หญิงหนึ่งปัญหาที่จริงผู้หญิงเยอะกว่านี่เนอะอ้าวมีใครจะถามปัญหาไหมให้ถามปัญหากันมีไม่มีปัญหาไหมมีใครจะถามอะไรบ้าไม่มีก็แยกกลุ่มมา อาาวมีจัดเป็นแยกเป็นสามกลุ่มเหมือนเมื่อวานก็เอาปัญหาวันนี้นะไปนั่งทกเจาะประเด็น